و ك ذ ل ك ح ق ت ك َ ل م ة ُ ر ب ك ع ل ى ا ل ذ ي ن ك ف َ ر و ا ع ل ى ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أ ن َ م ا أ ح ب ن ا أ ن ه م ا أ ح ا ب ا ل ن ا ر الذين يحملون العرش، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء الرحمة و ع ل م ربنا وسع كل شيء الرحمة و ا ع ل م أ َْ ف ر ْ ل ل َّ ذ ِ ي ن َ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ و َ ق ِ ي م ع ذ ا ل ج ح ي و َ ق ِ ي م عذاب الجحيم อิَุญจนาตนะอัลลอฮฺนินุญาตีวะฮฺจันนาตีอาต่อฮฺม์และผี่ชอบพ่อและแม่และผู้ที่ชอบพ و ا و َ ا ج ه م ا ت ه م و َ ا و ا ج ه م ُ ر ي ا ت ه م إ ن ك أ َ ن ت ع ز ي ز ح ي ن َ ك َ ن ع ز ي ز ح َ ك ي م ว่ากิมุสัยะะว ي นที่สัِยะวันْีَสัยะะยุไม่รับรับอิ ئ ตายุไม่รับรับอิมตา و ذ ل ِ ك َ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ل َ ن َ ل ْ م َ ب ُ ا ي ُ ن َ ا د و ْ ن َ ل َ م َ ق ت ُ اللَّهِ أكبر أ ك ب ر م ن م َ ح ك م أ م م ن س ك م إ إل ذ ا ت ج ع و ن إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ف َ ا ق ْ م إ ذ ت ج ع و ن إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ِ ك َ อัลลอ r ฺอุ a ั a ม t อัล a t a ฺอัล و َ أ َ ح ْ ي َ ت َ ن َ ا س ن ت َ ا ه ُ مَا ََ ف ْ ن َ ا بِذُنُو ب ِ ع ْ ت َ ر َ ف ن ا ب ِ ذ ُ ن و بِنَا َ ن ِ ا خ ْ ر و مِنْ ز َِ ي ل ف َ ه َ ل إِلَى خُرُوجٍ م ِ ن س َ ب ِ ي ل ب س م ا ل ل ه الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن ع و ذ ب الله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أعمالنا م ن يهدي الله فلا مضل له و م ن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لمات الله ا ل ت ا م ا ت من شر ما خ ل ق بسم الله ا ل ذ ي لا ي د ر م ع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع ا ل عليم رضيت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني و ا ف ن ي في سمي و ا ف ن ي في بصري اللهم فاطر ا ل س م ا ت وال أ ر ض عالم الغيب والشهادة ربك لشيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت ع و ذ بك من شر ن ف س ي وشر الصالحين وشرك و إ ن أ ق ت ر ف ع ل ى نفسي سواء ء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ا ل م ل ك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده رب عزبك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ر رب عزبك من عذاب في النار وعذاب في القبر حامم ت ن ي ل الكتاب من الله عزيز عليم غافل الذنب وقابل ا ل ت و ب شديد العقاب في الطول لا إله إلاو إلا إله المصير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 ว่ م, م, ا, ا, م ا ิดาด ل ําลิมมัต ي ฮียาเฮียยาควิอยุบิร่ห์มดิค์อัสตักริสุลอาสลิฮ์ลิษะอัน السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชที่ร่วมนมาทซุบฮุที่มัสยิดอันวาลิสุนนะ แด็พี่น้องที่ติดตามรายการตัร้งเซลิุโฟานสวรรค์ในบ้านนะครับหรือทำดีล่ะด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุภานะฮูบะตาฮ์ดานะครับเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ทุกลมหายใจให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ทุกลมหายใจในคัมภีร์รุรานเตือนอย่างนี้เวลาเข้ามัสยิดนี่ย อัลลอ์ไม่ทด้สั่งให้นึกถึงอัลลอ์เท่าไรขณะอยู่ในมัสยิดพรว่าภาพของพี่น้องมุสลิมคนี่ยคนนี้นกุลกคนนี้สุญูดคนนี้นั่งอ่านคุณอานบรรยากาศบรรพาไปแต่ที่อัลลอฮ์สั่งเช่นฟาิซาโคดีอติสซาลาตูฟันตัสิรุฟิลอาร์ิวาบตะวมีฟาดิลลาห์วาซุรุลลอฮะกัสรัมเมื่อนมาด เสร็จแล้วเนี่ยจงกระจักกระจายปนนักแผ่นดินและไปแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺวาสุกรุลลอจงรำลึกถึงอัลลอฮฺให้เยอะต้องการจะบอกว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเสี่ยงอยู่นอกมัสยิดเนี่ยมันเสี่ยงเลยสั่งบอกว่าฟาสุรุลลอฮักาซีรันให้ดึกถึงอัลลอฮฺเยอะ เวลาเข้ามัสยิดเนี่ยมันจะสั่งให้นึกถึงอัลลอ์เยอะเพราะบรรยากาศมันให้คนนี้นั่งอ่านกูน่านคนนี้นั่งิ ล, ลคนนี้กำลังสูู้คนนี้กำลังน่นทำความวีามันดีหมดเลยแต่ที่อัลลอ์เป็นห่วงเวลาออกจากมัสยิดเนี่ยเลยสั่งว่าฟซุลลอฮกซีรอนดนะนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆ อ, อยู่ข้างนอกตอนค้าขายตอนมีอยู่ที่ตลาด อย่างสมบัติยกตัวอย่างเจอคนนั้นเจอคนนี้แต่งตัวโป๊บางอะไรบางถ้าม น, นึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆเนี่ยอุรกณอัลลอเป็นห่วงมนุษย์นะครับขอบคุณอัลลอฮฺนะวันนี้เรามาถึงสูรุลมุมินนะบางอายะห์บางสุลเขียนว่าอะไรนะกอฟิรนะมุมินหรือกอฟิรแต่คุณอานที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขียนว่าอัลมุหมินแปลว่าผู้ศรัทธา วันนี้เรามาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผ่านไปห้าอายะนะครับอายะเอาอธิบายอายะสุดท้ายเล็กน้อยนะครับบอกว่ากะซาบกอบละุมกามนุห์วลอัจาบวลอัจาบุนบัติหิมวะหัมมัดคุลอุมมติบรสูลิหิมลยดูวะจัดูบิลล หลิยุดใหูบหนหน้าพวกเขาคือคนที่มาก่อนหน้าอาหรับมุชริกในนครมักกะคือเอา <c oughs> เอากลุ่มอเรสกุเรสเป็นกรณีตัวอย่างก่อนหน้าคือก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดเนี่ยมีคนที่มาก่อนหน้าครอ น, นบีมูซาอิซาอิลยาอิบรอฮีมใครก็ตามทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะ เขาปฏิเสธนบีไม่เชื่อนบีปฏิเสธอย่างเดียวไม่เท่าไรวะฮัมมัดพวกเขาอะไรนะตั้งใจจงใจทุกๆุกประชาชาติที่จะลียะฮูรูเขา่าอาคอดายะฮูรูแปลว่าเอาเขาว่าเอาในอุลามาอธิบายได้สามอย่างหนึ่ง จับเป็นหรือจับตายไปจับนบีมาจะจับจับเป็นหรือจับตายหรือจับแล้วในประเทศเขาว่าลียะฮูรูหเพื่อจับตัวเขาเพื่อกุมเขาจับเป็นหรือจับตายหรือจับแล้วในประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราเล่าให้ฟังนะนบีที่มาก่อนหน้าเนี่ยไม่มีใคร รักนาบีสุกคนใ น, นส่วนใหญ่เนี่ยแอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนตี้บิรุสูลิฮิมนะรอซูลของพวกเขาเองวายาดารู alu, และพวกนี้ก็โตแขวางอะโต้โต้โต้โ ต, โ ต, โต้เอาความเท็จมาโต้ลียาดฮิยบูบิฮิลฮับเพื่อที่จะลบล้างเพื่อที่จะทำลายเอาหล่อความจริง คืออิสลามคือตระกายปิบา่าวทุกนบีที่มาในโลกนี้นะ่ะนำอิสลามมาสอนหมดเลยสอนอยู่เรื่องเดียวคือลออิลาห์อิลล allah ถ้าเป็นยุของนบีมูซาก็โมซาราสุล ullah ถ้าเป็นยุคของนบ يم, il ีอิบรอฮิมลออิลาห์อิลล allah อิบรอฮิมรัสูล ullah ยุคของเรานี้ยลออิลาหอิลล allah มุฮัมมัดรัสูล ullah ขึ้นมาเรียกร้องสู่อลัลลอฮ์องเดียวตั้งแต่ยุคแรกเรื่อยมาแล้วก็ฟอาอคอสตูมพวกนี้วางแผนสนุกมากเลยนะอรอดไงจัดการฟาอาคอสตูมฉันได้ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นเราก็ทราบดีนะบีบรอยีมสบายในจิมีม้น้นะนาน้ำท่วมอาจสมูทแผ่นดินไหวแล้วก็ฟ้าพา ที่จิมีเดซี่ปัจจุบันเนี่ยนั่นน่ะพูดอะไรนะผู้ชายกับผู้ชายร่วมหลับนอนกันเองส่งนบีรู่นมามันไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นอันว่าจัดจานหมดเลยแต่เก็บเดสี่เอาไว้ให้เห็นน่ะใช่ไหมก็ถามพวกเราว่าเอ็งเดินผ่านใช่ไหมล่ะได้ข้อคิดอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นฝักากรากรกกานายออกรบลองดูสถาการลงโทษของฉันนะเป็นยังไงนะักอามารีมีอายะที่ที่หกนะครับ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا อันนั่วเป็นา ص น ا ب النار นลลอฮวักกะาลิกคืออายาตรงการจะเล่าเล่าให้ฟังนะที่ลงโทษกลุ่มต่างๆที่ผ่านมาที่แอนตี้นบีที่วางแผนจัดการจำนบี แล้วก็โตเอาเรื่องโกหกมาโตเพื่อจะลบล้างความความจริงอะไรก็ตามเนี่นะโดเกิดโทษแล้วในอดีตนี่เล่าให้ฟังในทานองเดียวกันในยุคของนบีมหามัดหรือยุคหลังๆนี้ก็ตามถ้าใครแอนตี้นบีหรือว่าต้องการที่จะจั ด, จดการกับนบีอย่างที่วาดอะไรนะวาดระตูเนื้อหนละ่ง ถูกไฟครอบใช่ไหมใช้อะไรนะถังแก๊ส ด, ดับไฟธรรมดาแค่สามสามสี่อันนันก็ดับแล้วอันนี้ 5, ห้ามบดไปห้าสกว่าไม่ดับแต่ขอคิดอะไรกันอลัลลอฮให้เห็นนะแต่เราทำนิ่มๆนะเห็นไหมทำนิ่มๆแต่คนที่อิมานแต่อตรต้องนึกแั้นมีปัญญาอาลัลลอฮให้ปัญญาทุกคนนะครับ วากดเล็กในทรนองนั้นฮักก็ได้สมจริงแล้วเป็นที่ประจักษ์เป็นเรื่องจริงแล้วกาลิมาตุเบวพจนะ่าหรือพ้าดำรัดรอบบิก้าของพระผู้อาภิบาลของเจ้าคันตัศนงที่เอาล่อลงโทษเนี่ยมาแบบนิ่มๆเนีนะเกิดขึ้นมาจริงไหมจริงแล้วที่ผ่านๆมาในอดีตอย่างยุครายมันก็เห็นใช่ไหม เราก็ใช้ปัญญาโอ้โหวาดการ์ตูน ล, ล้ะนบีเองถูกอย่างนี้แล้วก็ประธานาธิบดีอิสราเอลที่วางแผนฆ่าผิ่นองปาเลสไตน์ล้วก็ยึดปาเลสไตน์ไปนี่ใช่มแล้วก็นอ น, นอยู่ที่หัวตัวเองเนี่ยอยู่กับหมอนะ่ะ <c oughs> พอเปิดภาพนี่จะนอนทั้งนันนแล้วผู้อันดูคลิปนี้โอ้โหใจเสียหมดเลยไงก็นึกถึงอาญาณีไง ฉะนั้นคนที่แอนตี้อิสลามคนที่ตำหนิอัลลอฮ์ตำหนิสุนนะนบีตำหนิอัลกุรอานละปฏิเสธว่าวันสิ้นโลกไม่มีตายแล้วไม่ฟืน้นคนแล้วนี่นะถ้าไม่เชื่อนี่นะอัลลอ์ยังพอประวิงเวลาให้อยู่ไปก่อนถ้าแอนตี้แล้วก็แสดงมารยาทิกเลวมานี่นะเปนจวันบายวัน ที่ละคนุคนแต่อาซาบมูนไม่ไปไหนหรอกแต่โควิดในอาซาบูนะน้ำท่วมใ้อาซาบมูนะแผ่นดินไหวน้นอาซาบมูนะก็นานๆานานให้เห็นเพื่อให้เราได้สำนึกได้นึกถึงอัลลอฮสุบฮานาอูานอาลาอันีนากาฟูอันนี้อธิบายชัดเลยสำหรับผู้ที่ ปฏิเสธแกบ่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธว่าอันนาหุมอัหฮาบุนัดพวกเขาเป็นชาวชาวไรชาวฝ่นรกอยู่บนดุงใานี้อลัลลอฮ์ให้สบายหมดเลยนะคนไม่เอาอลัลลอฮ์เนี่ยดูสิอย่างยกตัวอย่างฟาโรนนะ่ะเป็นทิงน้าเป็นกษัตริย์หน้ า, แ ล, าแล้วมีทหารรักวาพระองค์เนี่ยสาม0 0่นานี่ถ้าต้อสิ้นอธิบาติชัดเลยนะส5 0 0 0นันคนนะ แล้วก็มีตัวช่วยกับกอรูลเงินเยอะมากอ่ะแล้วก็ตะกับบ้าปูนเยอยงิงจองของถามว่าไปวัดไหมที่เราอ่านกุณอ่านพบก็คือถูกแผ่นดินสูบเห็นยังครับวันนี้นะยังไม่ถึงก้นก้นดุนยานี่ยังไม่ถึงนะจะถึงก็วันนั้นเนวันกิยตรติ์พอฟังเกียตรติ์มาก็พอกอรวมก็ถึงก้นก้นดินพอดีตอนนี้สูบทุกวันโลนิดละนิดละนิดละนิด ตายแล้วนะจะเจ็บไหมเจ็บครับเพราะมันเจ็บที่วิญญาณฉ<ม>ันรีบเป็นต้นว่าการีกับขัดคำว่าตุรรบิกะอัลลอฮ์ที่นักกัฟรูอันนูมอัลฮะบุนนัดในทำนองในทำนองนั้นแหละในทำนองเดียวกันนั่นแหละพะจนานของพระพูอภิบาลของเจ้า ของนบีมุฮัมมัดนะได้เป็นที่สมจริงแล้วแกบบ่บรรดาผู้ติดปฏิเสธนะครับคุณที่ไม่เชื่ออัลกุรอานไม่เชื่อสุนนะนบีไม่เชื่อมุฮัมมัดปฏิเสธวันเตียมะปฏิเสธอัลลอฮ์ราซูลทั้งหมดเหล่านี้นะครับอันหน้ฮุมอัลฮะบุนนะพวกเขาเป็นสหายของไฟเอาซุบิลละฮ์เบียซาด แต่นั้นอาดามีไหมมีครับมีอยู่สม่าเสมอมุมินเท่านั้นที่ได้ข้อคิดอิมาลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่คนกาเฟ่รู้สึกตัวไหมส่วนใหญ่ไม่รู้สึกก็ปล่อยไปเรามีหน้าที่เตือนนะเขาไม่เชื่อก็จบบังคับได้ไหมไม่ได้อับมิมตุลอายะที่เจ็ดครับอัลลอฮฺ ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة رحمته و ع ل م ا فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتهم ذبل الحين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ب ح م ِ ربهم ويؤمنون به. ويستغفرون َََ للذين ََ آمنوا ُ ربنا وسعت كل شيء ر َ ح م َ ت َ وعلم َ فاغفر للذين َ تابوا َُ و ا ت َّ ب َ ع سبيلك َ و َ ق ه ِ م عذاب َ الجحيم َ الحمد لله อันนี้พูดเรื่องมลอยกาเราต้องเชื่อว่ามลมมัยกามีไหมมีอามันตุบิลละาวามลาอิกะติฮ์วากุตุบิฮ์วารุสูลีห์วยามิลอาครวบิลขัดิลขอยริฮ์วาชารีหิดัลลอฮาลูาาคนอิมานเราเชื่อมดเลยแต่นี้อัลลอฮ์เล่าว่ามลอยกาเนี่ยทำอะไรมลกาเนี่ยทหน้าที่ทุกอย่างนะบนโลกดุรยา เ, เนี่ยมาเอาวิญญาณคน เอาวิญญาณใส่ไปในท้องเด็กอายุได้รอยี่สิบวันให้คนตายให้คนเป็นให้ไขรผลตกให้แดดออกให้เป็นดินไว้อะ้วก็ตามแต่อะไรก็รับผิดชอบดูแลหมดเลยตอนนี้เล่าใควังว่ามาดายการเนี่ย<ม>อัลลอี น, ah นายฮามิลูนลออาอรชบรรดายาฮมิลูนบรรดาผู้ที่แบก ยามิลเรว่าแบกเราก็นึกภาพเราเองก็ได้แบกนู่นแบกนี่้ยังไงแบบประชายอะไรนะของเราก็ชายอะไรนะชใช้ไหลยังไงหรือมือก้มือแต่มันไร้กาเนี่ยแบกบัลังของอัลลอฮฺแบกยังไงไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปวิจารอัลเราเราเชื่ออย่างงี้เลยว่าวันไร้กาแบกบาลังอัลลอฮฺ ในตัศสิทธอธิบายบอกว่ามเลิกกากี่องค์แบกแบกแบกบลังส่สองค์นะครับแบกบลังองบบลงอยอยู่ขณะ น, นี้อยู่ยังไงไม่รู้อยู่บนชั้นฟ้าแค่นี้พอเราเชื่อแค่นี้แะแต่ในวันตรีมาในตัศน์สอิบนกสิทธอธิบายบอกว่าว่าอิากานยมัมกานสมาเนี ย, นาานยแต่ถ้าเป็นวันตยีมาจะใช้มาลิกกแปด อมแบกบัลามอัลลอฮ์ไว้นี่เป็นจริงเป็นอัคด้านเป็นความเชื่อเลยนะเคยมล า, ายการมีจริงไหมมีครับมาเสริมหัวใจเรามล า, ายการเนี่ยคนที่อยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับอิสลามอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับน้นํานมาดอยู่กับน้ำมาดอยู่กับการสงสารเมตตาหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยมีมล า, ายการอยู่กับท่าน อธิบายอย่างนี้เพรว่ามีอยู่ข้างหนึ่งนบีกับท่านอาบูปะการสองคนใช่ไหมยืนมันอยู่สองคนท่านอาบูปะก์ว่านาบีเนี่ยศัตรูของเราเนะ่ะมาแล้วนบีว่าเขามองฉันไม่เห็นพอเดินมาเดินมาก็ไม่เห็นจริงๆอะมลกิกายืนบังเอาไว้มาเห็นท่านอาบูปัก์เก็ด่าบูปะก์ท่านอาบูปก์ก็ยืนเฉย ไม่ตอบพอไม่ตอบเสร็จแล้วก็ถูกด่าเยอะขึ้นกนะ็นคนพวกเราเหมือนเล้านี่แหละก็เลยด่าตอบเป็นบางคํนานบีเดินออกเลยครับท่านอบบบาก็เดินตามกันเพราะแค่นบีมากเดินตามนดีไปแล้วก็ถามนาบีว่าท่านเดินออกมาทําไมนบีก็บอกว่าตอนที่ท่านถูกดา่าใหม่ๆท่านไม่ตอบเนี่ยเรื่องไม่ใครตอบแทนฉันเห็นมายิกายืนอยู่ริมท่าน และมรดกาเนี่ยดาแทนตอบท่านท่านไม่ตอบเยอมากมรดการ์ดาแทนอยู่เมื่อท่านทําทําหน้าที่เองมรดกาเดินออกฉันก็เดินออกตามมรดกานี่เป็นเป็นกรณีตัวอย่างฉะนั้นมรดกาอยู่กับคนที่สบัดอดทนนเราสาบัดอดทนเรามาทะเลาะ ก, กับเมียมาทะเลาะ ก, กับภรรยามาทะเลาะ ก, กับญาติพี่น้องเราเราให้อภยัยพระมรณะ ว่าเราฟังตัปสิทยุบ่อยๆเอาไปใช้ทำไหนก็มาใช้ตอนนี้เนี่ยชีวิตประจำวันนี่แหละฉะนั้นมล า, ายิกาเนี่ยจะอยู่กับคนทีไ่ไหนกับคนที่ทําอามันอิบะดาอามันจิตซอและความดีต่างๆอัลลอฮฺนัยฮ์มิลูนัลลอฮ์อับันดามล า, ายิกาผู้แบกบาลัง ว่ามันเขาเหลาและผู้เวียนรอบอาักอัลลอฮฺมุลเลกามีะเต็มไปเลยเท่าไหร่ไม่รู้กมเหมือนเราอะไปถึงมักกะเดินตะวะันบ่ายใบตุ่ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีอยู่ยังไงเราไม่รู้ใช่ไมั้ไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปวิเคราะห์ อ, อะไรเยอะเชื่อตามในคุณอ่านสมามุลเลกามีหลังจาก แบกบาลังอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ผู้เวียนรอบยุซับเบฮาวนนิดงานของมันเลยกันพวกเขายูซับเบฮานบิฮัมดีรอบบิหิมพวกเขาแท้สองสะดุดีด้วยการดำลึกถึง Allah, รรอัลลอฮ์ด้วยการสรารเสริญต่ออัลลอฮ์ทัสบียนแปลว่าแท้สองสะดุดีบิฮัมดีด้วยการด้วยการสารเสริญต่อ ก็คือว่าอย่างนี้ s u b h a ว่าบิฮัมดิจากระวันี่ยนะยุซ บ, บิฮูนบิฮัมดิอุมายถึงมาลากเนี่ยซสลอลอย่างนี้ s u b h a ว่าบิฮัมดิท่านมุมุมินทั้งโลกนี่นะนบีสอ่งว่าเช้าเช้าเนี่ยหลังนำมาอโบรจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนล้นะครับให้กล่าวนี่ลนะ คุณทำนอลาว์ไปทำดีร้อยครั้งพอกล่าวคำนี้เท่ากับปลูกคนไหนนะอินทรพาลำต้นหนึ่งในสวรรค์ที่เขาจะไปอยู่ถ้าเรากาวร้อยครั้งมีกี่ต้นรอยต้นถ้าตอนเย็นกาว อ, กอีกโอ้นี่ถ้ากาวมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปน น, ะปนี่ได้กี่แสนต้นแล้วล่ะทำไมฉะนั้น ให้ปากเราเนี่ยเปียกชุ่มด้ว ก, การดำลึกถึงอัลลอฮ์แทนการนินทาและดา่าแย่างกับท่านมุมินผู้ศรัทธาตอนเราจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามสร้างจากความเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญอัลฮัมดิ ล, ลหน้าที่ของมอันเลยค่ะแบกบัลลังนะตอนแบกบัลลังนะนะอยู่ซาบิฮูนะบิฮัมดิรอบดิฮิมทะไรนะ แซ่ซ้อมสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อาภิบาลของเขาทั้งหลายหน้าที่ที่สองวายุมินูนาบิฮีและพวกเขาศรัทธาในอัลล mm hmm. อฮ์ลลเห็นไหมถ้มาจะเอาเมรกาเป็นมุมลิมปะเป็นมุสลิมเห็นยังเมริกาทั้งหมดเนี่ยเป็นมุสลิมไม่มีใครเป็นกาเฟ่สักคนหึงอเห็นยังครับ กราเมืองไท ย, ยเท่าไหร่มุสลิมเท่าไหร่มีนจะแปดล้า น, นเนี่ยนะไอ้สิ้นเดือดกระจายเองแล้วกันนะเห็นไหมมารีกาไม่มีใครทรยศต่ออัลลอสั ก, กัอง น, นนะสนัสรุนออลลอฮ์แล้วก็วัยุมีนูนบิฮิและพวกเขาศรัทธาในาพระองค์ในอัลลอฮ์เรื่องที่สามทำอะไรบ้าง ว า, นะ า, ายาตนะ อ, อภัยโทษสำหรับผู้ศรัทธาต่อ Allah พวกเขานั่งอยูมัสยิดานมาเลค้าขออภัยโทษสำหรับผู้ศรัทธาต่ออ Allah พวกเรานั่งอยู่ในมัสยิดในมาเลค้าขอด้วยให้เอาได้ไหมเอาไม่จะขอธรรมดานะขออภัยโทษด้วยนี่ขณะนั่งอยู่ในมัสยิดในมาเลค้ามาขอสามตนนะ อัลลอฮุมมักฟินละหูอัลลอฮุมมารฮมหูโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษในเขาด้วยแล้วก็ประทานความเมตตาให้เขาด้วยรับการขอดุ آ, อา์ของพวกเขาด้วยที่มีหน้าที่ของมาลาอิกาเห็นอย่างคขาทฉะ น, นเป็นมุมลิ น, Allah, นอัลลอฮ์เราขออให้กับตัวเองยังไม่พอมาลาอิกายัางของให้เราอีกนี่อัลลอฮ์านกุการเห็นไหมสบายใจใช่ไหมอลัลลอฮ์ทโยตัวเราเมลายิกาทำหน้าที่กี่เรื่องนะ มากาที่แบกบลลังเนี่ยทำหน้าที่สามเรื่องหนึ่งสรเสริญสดุดีกล่าวว่างนะส u b h a n a l l a h wa b i อันที่สองวายุมินูนบิฮิพวกเขาอีมานศรัทธาไม่มีใครทรยศ ต, ต่อเราเลยอันที่สามพวกเขาขออภัยโทษให้อภัยโทษบรรดาผู้ศรัทธาต่อเลาทุก ทำโนริ่ลสบายใจนะเราไม่ตัวช่วยตั้งเยอะแล้วกลัวอะไรไมีตัวช่วยตั้งเยอะไปหมดแล้วกลัวอะไรก็ยืนยันเอาล้อองค์เดียวให้มั่นก็นแล้วกันนะครับอาต่อมากับเวลาขอดวงอาตารอดเนี่ยมรรคฆาจะกล่าวว่าอย่างงี้ก่อนที่จะขอให้กล่าวไงนะรอ บ, บนาโอพระผู้เฒ่าของเราเอ๋ย วสะตุละใชรัมัต์มาวะอิมวสะตวทรงแผ่แผ่กว้างกุละชทุกทุกสิ่งรัอมัความเมตตาอิลมันความรู้ความรู้ของอัลลอ์ความเมตตาของอัลลอ์แผ่ไปอยู่ในทุกทุกสิ่งบนโลกใบนี้ นี่ชมมารอใช่ไหมมลายกาชมมารอแบบนี้ฉะนั้นอาย่านี้วักนี้จุเป็นข้อเตือนใจโบรม า, ามโบราณว่าแนะนําว่ามุหมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก่อนที่จะขออุทิศให้กับตัวเองหรือขอดุทิให้กับคนอื่นเนี่ยเอารูปแบบมลายกาไปใช่หนึ่ง إيمان ก่ อ, กอต้องเป็นมุหมินใช่ไหมที่นวันสุนีคนโทรศัพท์าพมาหาผม ว่พ่อกำลังป่วยไม่ใช่นมุสลิมลูกมาเป็นมุสลิมจะขอดุอาให้คุณพ่อได้ไหมอขอได้หรือไม่ได้ได้ยังไม่ตายนี่ขอได้เลยแต่ถ้าหากว่าตายแล้วเนี่ยขอได้ไหมให็ไหมนี่ไม่ได้นะก่อนตายเนี่ย ลูกมาเป็นมุสลิมมาขออาให้พ่อแม่ไดหมดเลยขอให้รวยได้ขอสุขภาพแข็งแรงขอให้นุน่นถ้าขอไอยอะขอขอให้ครับอิสลามเลยไม่ใชขอให้หายอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็อิสลามไม่มีราคาชุดเลโกกีรอนๆๆนะขอได้ไหมได้แต่ตายแล้วขอได้ไหมนี่เป็นความรู้นะนำบันทึกชัในชีวิตประจำวันแสดงว่า มะลลยกานี่ชม Allah ก่อนนะรับบานาวาสยาวาสยอัตกุลละไซอิลรอฮ์มัต้วยอิลมาชม Allah นะว่า Allah เนี่ยมีความเมตตาแพรความเมตตาอยู่ในทุกๆสิ่งและส่งรอบรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างัลเรารู้หมดเลยต่อมาครับฟาลฟิร์ลลาดีนตาบูจงอะไรนะ จงอภัยเนี่ยเราสั่งนะครับจงอภัยโทษลิลลีนาตาบูได้ทรงโปรดอภัยโทษบรรดาผู้ที่ตาบูลุกะโทษคนที่ตาบ้าตัวนั้นมาลัยกาจะขอดูอาให้กับคนที่ทาผิดแล้วก็ลุกะโทษตนต่อเรามาตาบ้าตัวอลอถเนี่ยสมมาลัยกามาเฉพาะเลยนะ มกมาเฉพาะคนที่เป็นมุมินที่ทำผิดมีไหมมีทำผิดเยอะๆก็เรียกว่าแขร์ไม่ใช่มุมินพี่ต้องสังเกตนะถ้าอ่านดุอาที่กูโบเนี่ยเขาเขียนกันไว้เห็นไหมอสัสสลามาลัยกุมอัลลัดดียาร์มินัลมุมินีนเห็นไหมอะไรขึ้นก่อนมุมินีนก่อน Assalamualaikum อาดดิลลัลมินายุมินินวัลมุสลิมินเห็นไหมมุสลิมมาที่หลังมุหมินมาก่อนแสดงว่าแต่แปลไปพวกเรานะมุหมินผู้ศรัทธาเป็นเบอร์หนึ่งไอแ้แขกธรรมดาไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็ให้สาลาม์ด้วยเห็นไหมเรียกว่าอาดัตเจ้าของบ้านนัานนะคนที่นอนอยู่ใน ก, ก็บูเป็นเจ้าของกโบนะเขาเป็นขขปนะเจ้า ข, ของบ้านนะนั่นเดินผ่านผมให้สาลามวันหลายเที่ยว ก็นึกถึงคุณยอก่อนนะแต่คุณพ่อก่อนใช่ไหมฉะนั้นมุมินเพราะนีพยายามพัฒนาตัวเราเนี่ยให้เป็นมุมินให้ได้ที่แรกเป็นเป็นคนแข่ก่อนใช่ไหมพอเป็นเป็นเป็นไปอ่านคุณอ่านดีอามาดีอะไรดีมันก็ยกฐานะเป็นมุมินดีหรือไม่ดีอ่านทำดูดิแล้วไม่ใช่อยู่ไปยิงแย่ลงแย่ลงแย่ลงยายายาเป็นคนอย่างนั้นใหม่ ถ้าหยุดมาได้เอาเลยตอนหนุมน่มๆมากพอแต่งงานจอนนะ้แต่หยุดเริ่มมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนมาศฟอร์ ด, ดอย่างเดียวสุนัตหน้าหลังไม่เคยมีตอนนี้เริ่มมาแล้วแล้วก็นมาศดูข้าอีหละ่ะสาวิตวันหยุดง่ายไม่ไปนมาศดูข้าอยู่ออฟฟิศก็ทาได้ผมเนี่ยนะเวลาผมจะหลงโทษนักเรียนเขาสอนหนังสือตั้งทชีวิตนั่นนะใครที่ทาําผนะิดน่ะอมานี่มานี่มาเนี่ย ไปอ่ น, นั้นนมารเขา้าวเราวะนมาดดูฮะแปลรักษาแล้วก็ท่องดวอาบ น, นี้ไปยืนท่องนั่งท่องเด็กที่ทําผิดแทนที่จะเอาไม้มาตีผมไม่เคยตีนะให้น้ำมาดดูฮะแปลรักษามาช้าชาแล้วก็ท่องดวอาบ น, นี้เราไปยืนท่องท่องได้โทษหมดแล้วเห็นไหมตีทงไหม นบีไม่เคยตบตีใครนะสาวสนะนบีไม่เอยนะอันนี้นอายุตัวอย่างแค่นี้นะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับวิธีวิธีรรมีนะครับพยายามผูกพันกับอิสลามเยอะๆฟาฟิลินลาดินตาบูคนที่เตบาบ้าตัวอธิบาย่เตาบ้าตัวจากการทำชิริกเ ต, ตบาบ้าตัวจากการทำบิดา เมาก่อนในปฏิเสธตำเนีศสุน่านบีจังเนื้อบัวชนนบีเออเอ อ, อย่าเอาเข้าบ้านฉันไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันจะทําแบบปู่ย่าตายายของฉันนี่แหละอย่าเอาสุน่านบีมานะคนที่เลิกประเพณีปฏิบัติแล้วก็หันมาเรียนสุนนะอย่างเงี้ยมาลายกาจะขอดุอาให้นะครับวัตตาบารุสับีลักแล้วก็จงปฏิบัติตามทางของอัลลอฮ สบีนบาปธรรมมาที่อิสลามจงปฏิบัติตามอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พาไปสวรรค์ครับศาสนาบุรลกนี่เยอะใช่ไหมแต่อิสลามเป็นศาสนาที่พาไปสวรรค์ครับต่อมาครับ <S <S <S ว่าตีหิมอาลาบัลยาหิมและได้ทรงโปดช่วยเขาตีหิมเนี่ยเขาบอช่วยเฮ้นทรงช่วยเขา พยุงเขาช่วยเขาให้พ้นจากอะไรครับอาลาบการลงโทษอัลจาฮห้ที่ไฟนรกนี่เป็นลักษณะของมลายิกะขอดุอาให้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮเห็นไหมขอดุอาตั้งแต่กุดูเห็นไหมโอ้ขอให้ห่างไกลจากไฟในโลกขอให้ปฏิบัติตามทางอิสลามที่ถูกต้องที่มาจากท่านนาบีอย่าเอาธรรมบีนะประเพณีปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประเภทนี้เนี่ยรู้แล้วมันทิ้งทิ้ ง, งยากจะพยายามทิ้งขอยกตัวอย่างท่านยังไอชาพูดบอกว่าฉันนี่นะขอบคุณอัลลอฮ์ที่แต่งงานในเดือนชาวานแต่งกับท่านนาบีชาวบ้านเนี่ยเขาไม่แต่งงานในเดือนชาวานนะในมกราณะเนาว่าอ ok ัลลอฮ์เมตตาฉันแต่งงานในเดือนชาวานชาวบ้านเขาแอนตี้กันว่าเป็นเดือนที่ไม่ดีแล้วก็ฉานนี้ถูกส่งตัวให้เป็นภรรยา น, นาบีก็เดือนชาวานเหมือนกัน ชาว บ, บ้านเขาไม่ส่งลูกสาวไปให้เจาเบาวในเดือนชาววันบางไทยก็มีใช่ไหมเดือนสุขภาพเี่ยทำอะไรไม่ได้เลยบ้านก็ปลูกไม่ได้ของดีนี่ทำไม่ได้นะแต่ของชั่วทำได้นะแปลกนะแปลกเอาต่อไปอายะที่8รับบะนาวะอดฮิลฮุมจันนะทีอัด ج َ ن َّ ا ت ِ ع َ د ْ ن ِ ا ل َّ ت ِ ي و َ ع َ ا د َ ه ُ م ْ و َ م َ ن ْ س َ ل َ ح َ م ِ ن ْ آ ب َ ا ئ ِ ه ِ م ْ وَأَزْوَاجِهِمْ و َ ذ ُ ر ِّ ي َ ا ت ِ ه ِ م ْ إِنَّكَ أَنْتَ ا ل ْ ع َ ز ِ ي ز ُ ا ل ْ ح َ ك ِ ي م ُ ر َ ب َّ ن َ ا وَأَدْخِلْهُمْ จันนติอัลนนิลลตวะต้ฮุมวามลฮะมินอาบะอิมวะอวจิฮิมวะุรียะติฮิมอินนักอันตะอาจิลฮกิมอัลลอฮอัลอฮัมัลมลลมัลลัฮฺมัััลลฮมลมมัม เราขอตัวเองอย่างไม่พอไม่คุ้นมาลัยกามาขอให้เราอีกดูมาขอว่าไงรอบบนาะข่าแต่ประผูอ้อวยารของเราว่าอดคิลหุมและได้ทรงโปารานะปดให้พวกเขาเข้ามาลัยกาขอนะโปรดให้พวกเขาเข้า ที่นครับยันหนะ้าเข้าในสวรรค์ที่มัลลิกาขอต่ออัลลอฮเห็นไหมสบายใจไหมขอให้เราเป็นคนดีกว่แล้วกันนำมาจากาดอ่านคุรานรวิกรุลลอฮสม่าเสมอให้อภัยกับคนพราถ้าเรารู้มัลลิกาขอนะไย้ยินกับหูเลยนะไม่มีใครทําบาปทุกคนเึงแล้วก็ สวรรค์อยู่ที่ไหนครับอาดนินเป็นสถานที่อยู่ที่ถาวรสถาพรใช่ไหมเอเดนอาดนันก็ตั้งชื่อมในโลกมีใช่เอเดนใช่ไหมแต่อาด น, นกับอาบอาหไปตชายแต่ในสวรรค์นี่มาเทียบกับโลกดุนยาได้ไหมไม่ได้เลยครับมาลายกาขอดว้วยต่ออัลลอห์เอาคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับ คนที่ติบบ้าตัวให้อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ให้อยู่ในศาสนาอิสลามให้ปลอดภัยจากไฟนรกเสร็จแล้วอายาที่แปดขอให้พวกเขาได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์อั น, นเป็นสถานที่ที่อยู่ไปแบบถาวรอยู่แล้วไม่ต้องออกแล้วเมื่ออายาสุดท้ายของโซโลรูมาเชนะในโลก ทุกมาชั น, น, นสองกลุ่มใี่ไกลุ่มหนึ่งถูกต้อนลงนรกอีกกลุ่มหนึ่งถูกเชิญข้าสวรรด์นี่ไงาไปฝากแล้วต่อมาครับอัลติซึ่งวาตหฮุมซึ่งอัลลอฮได้ทรงสัญญากับพวกเขาไว้สัญญาณนกะพีกุอานเนี่ยคนที่ทำดีจะได้สวรรค์คนทำชั่วจะได้นรก อ่มั้บรกิการเอ่ยหมดเลยที่อลัลลอฮฺสัญญาไว้นะอย่าเลี้ยวนะอาอนะัลลอฮฺหน้ายังงี้เป็นต้นกับมาต่อมาครับเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยใครเข้าได้อีกอย่างพ่อมีศาสนายกตัวอย่างหือแม่มีศาสนาพ่อเข้าคนเดียวหรือแม่เข้าคนเดียวหรือไม่ใช่ครับวามันซอละฮา มินอาบะอหิมวะอัวาจิหิมวะดุรริอัติหิมรอพากันเข้าเต็มเลยคนคนเดียวนะ่ะยืนหยัดในศาสนายืนหยัดในสุนนะของท่านนาบีอย่าทำบิดาอย่าเอาประเพณีปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจาวันเรื่องศาสนาต้องมอบกันนบนบีคนเดียวฉันขอทำตามนาบีเลย ประเภทนี้ปฏิบัติโหเคยทำมาเดี๋ยวนี้ทึงมาแล้วอาสุนานาบีมายืนยัดเรียกว่าคนมีอีมามีศาสนาพอเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยวามันซอละฮและผู้ที่ทำความดีอิสลามมาเป็นคนที่ปรับปรุงตัวเองาคนที่พัฒนาตัวเองใช่ไหมคนที่เป็นคนดีทั้งหมดจากใครมินอาบอิฮิมจาก บรนผ้บุรุษปว่างพ่อพ่อปู่ย่าตายายของพวกเขาได้เข้าด้วยสบาย์จไหมบางทีพ่อเราไม่ค่อยเอาไหนเนี่ยไม่เคยเอาศาสนาเท่าไรเยอะมากสมัยก่อนก็เล่นไกาตีไกายเล่นการพนันกนมาดบ้านมังสุกับวันอี้พ่อเราไม่ เ, เอาศา ส, าาาสานามีไหมมีครับแล้วลูกดีไง ลูกเรียนศาสนาลูกรออะไรไปน้องฉะนั้นคนลูกที่มีสมต้องนึกนะเราต้องเป็นคนดีให้ได้จะได้ช่วยพ่อเราช่วยแช่เราแต่ต้องเป็นมุ่มินนะยี่ฝากนูนุนไม่ได้อาตอมาครับบรรพบุบรุษของพวกเขาปุอาสรวิมแล้วก็คู่ครองของเขา มีภรยาภรยาไม่เอาศาสนารอหน้ามาไม่ค่อยครบแล้วก็นิทากินดาเก่งแต่ตัวไม่ถูกต้องใส่เสื้อคอรูดตัวเดียวกินหมากจับจับจั บ, จบด่าคนนั่นตำหนิคนนี้ก็ภาพใี่เราเห็นน่ะในอคอนเท็ตก็มีอ่ะตอนนี้มันก็เ บ, บาลงแล้วเวลาเดินผ่านเออทมดีแล้วสบายใจอย่างนี้ไ่ต้นเนี่ย คู่ครองที่ไม่เอ า, าศาสนาหรือเอาแบบเล็กน้อยๆแตเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมเข้าด้วยวาซุรีตีหิมและลูกลูกหลานของภู้เขาที่ไม่เอ า, าศาสนาคนคนเดียวช่วยได้นกี่ค น, นไม่เห็นได้ไห น, นี่เป็นเรื่องจริงครับครับตีกตากระ บ, บุนะ พอมีการนอนนโอ้ยิงแต่ก็บอกกูจะช่วยมึงขึ้นเข้าสวารรค์อย่าไปพูดนึกอ่นกานกุอ่านในยานี้ด้วยความสบายใจให้เราเป็นมุมลินละหมาดให้ครบห้าเวลาพยายามนึกถึงมัสยิดทุกเวลานะมาดนึงถึงมัสยิดกูอ่านพยายามอ่านสมาอันเจ็อย่างหนึ่งอ่านคุอ่านทุกวันสองละหมาดพระตูอย่าขาดนึกถึงมัสยิดย แล้วก็บริจาคสม่ําเสมอขอดูอาสม่ําเสมอยิ่ครุลลอแบบมาระการ้านยิกรุล้อสม่ําเสมอแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติเราทุกคนไอ้คนที่แย่ ๆ, ๆเยอะแล้วรู้หนังบ้านบ้านใครละโมบรู้หมดแล้วแต่เก็บไว้ในใจแล้วก็ให้อภัยกับคนที่ด่าเราตําหนิเราเยี่ยมเย็ยนกันอะไรก็ไปนมาจ้าห น, น้าที่พบ บาบูบายเมื่วาเนี่ยเดินไม่เคยไหวแล้วนะก็ไปมนาะขอทุกอาให้ท่านโอเคครับต่อมาครับตกลงว่าวามันซอลฮามินอาบาอิหมวาอัจวาจิฮิมวาลุริยาติฮมิมคนที่ทำความดีนะครับคนดีเนะี่ยหละแต่ดีมันยังไม่ถึง 100% เปอร์นะเป็นไงครับช่วยด่าจากพันบันผาบุรุษของเขา ก็โยกของเขาแชร์ของเขาช่วยได้หมดเลยดึงมาได้ด้วยว่าอัสวาจิฮิมครูของของเขาจะมีเมียกี่คนก็ตามใช่ไหมหรือว่าภรรยาดีสามีไม่ดีช่วยกันได้ประคองเข้าสวรรค์ได้ว่าลูรียาติฮีและลูกๆของพวกเขาอัลฮัมดุลิลละทำไมต้องไปอยู่ในสวรรค์นบนละ่ะถ้าไม่มีใครเข้าเข้าคนเดียวมาอยู่กับใครอ่ะ อัลลอฮรู้เมตตาเหงานาอมาเข้าลูกเราหายไปไหนอิบราฮิมเดี๋ยวสาวกอเริกาขาวด้วยข้าด้วยอ่าอับเดีลลสบายใจนะพญาข้าวหลานข้าวลูกข้าวรอว่าบางทีตรงตะยนดินอุลรออยู่ในกูุมหมดเลยชื่นใจนลอับดยวนี้อย่างนี้ไปจนพยายามเรียนสนาเยอะๆแลออานเนี่ยยเนี่ยท่องให้จานะแปะเช่นแปะประตูไว้ r a b b a n y a wa a d khilhum j a n n a t i a d nin a d n i n i l l a tiwa a t a h u m wa mansalahamin abahim i wa a z w a j i h i m wa z u r r i y a timinna h i kaantal azizul h agam. Di persifat Allah, tak cing per orang, a per pusu anak, song amna, laka pusu pri, luar tahu sen tu ya. Nila, lai faham. Bung, lai s a y a nak u m a t พูดกับท่านกาบินอับรบาตบอกว่าสวนสวรรค์เนี่ยมีไว้ให้กับใครหนึ่งมีไว้ให้กับคนที่เป็นนบีสองคนที่สินดีกูอย่างอาจารย์มชิดอ่านคุณบ้าเมื่อวานนี้นะสินดีกูนี่แหละนะครับแล้วก็อัชชุฮาดะคนที่ตายชาหิต แล้วออิ ม, ม้อิมามที่วางตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็จะเอาคนญาติพี่น้องของคนดีๆนะพาเข้าสวรรค์หมดเลยอัลลอฮฺอันลรชื่นใจนะครับทามดุลิล ะ, ะต่อมาครับอายะที่เก้าวาตีฮิมุสัยยิเอ و َ م ن ت ق ا ل س ي ئ ا ل ي و م ئ ذ ف ق د ر ح ي م ت ه و َ ذ ل ك ه و َ ا ل ف َ و ز ا ل ع ظ ي م و َ ق ي م ا م س ي ئ ا ت و َ م ن ت ق ا ل س ي ئ ا ل ي و م ئ ذ ف ق د ر ح ي م ت ه ว وذالله والفوز العظيم الله أكبر สับนะครับไัยอาแปลว่าความชั่วทั้งหลายวาติฮิมแปลว่าช่วยพวกเขาให้พน้นนี่เขาขอดะอาบุญเลยนะบริกาขอดะอาบนะช่วยให้พวกเขาพน้น อาศัยแอดความชั่วทั้งหลายคําว่าความชั่วเนะ่ยมาจึงอักีดาชั่วชั่วไม่เอานับถือพระเจ้าหลายองค์นี่อักีดาผิดแล้วก็งานที่ผิดผิดที่ทำทำอยู่นะบิดาเนี่ยพยายามเลิกให้หมดที่มันแลกข้าพอนะนะให้เขาพ้นจากเรื่องบิดาให้เขาพ้นจากเรื่องชีริกให้เขาพ้นจากเรื่องอะไรที่ทิ้งซุนนะและปฏิเสธ อะไรสูนานาบีเลยยึดประเพณีบัดทิ้งให้หมดแล้วก็เอาความคิดของผู้คนนี่มาใชา้เอาของมาเสตเตตุงอะไรนะก็อของนาบีมีแต่ไม่เอามาใชาแ้แหละไปเอาของใครแต่ใครมาใชา้ทำไมไม่เอาของนาบีมาใชา้ของนบีนี่มันที่ดีที่สุดเลยมันเนี่ยเขาขอทุก อ, อานะครับได้ทรงโปรดช่วยให้พวกเขาพ้นจากความชั่วทั้งหลายแห่งการลงโทษ ในโลกอาฟราิกาอัลอัลลอฮฺอัลลอฮว่าแบบว่ามัน ต, ตัดใสตะดที่ก็ตักวานันะผู้ใดก็ดีที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เขาพ้นจากความชั่วในวันนี้บนโลกดุญญนยาใบนี้ใครก็ตามที่เคยไม่เอาศาสนาวันนี้มาเอาศาสนามาก่อนไม่เคยฟังตำเซียเดี๋ยวนี้มาฟังตำเซียงถ้หาหาความรู้กับตัวเอง เคยดาค่ากูนั้นตำมิกกูนี้ทะเลาะกอับกูนั้นวันนี้เลิกหมดแล้วที่เลิกนี้อย่าอย่าคุยว่าฉันเองเก่งนะไม่ใช่ฟาก็ดรอให้มตะแท้จริงพระองค์ทรงเมตตาเขาเห็นยังอันที่สอนอะไรสองเรื่องเมื่อคนเป็นคนดียังเรียกบตัวเองเก่งนะเออกูเนี่มันสระทุวันเลย เรบริจาคหนวันราหลายสิบเก่งหน้าดูเลยเอออย่าอยา อ, ยาอย่านี่คุรานชี้ชัดนะที่เองดีวันนี้เลิกจากความชั่ววันนี้เพราะอละัลลอฮ์เมตตาคุณต่างหากไม่ใช่หรือ่า น, นต้องใจตร ง, งผูกพันอัลลอฮ์ที่ตื่นตัหยุดได้เนี่ยใครเมตตาอัลลอฮ์ ที่เอาเงินให้ภรรยาชายเนี่ยเอาวันไม่ตาแล้วก็แปลงนะบริจาคให้ภรรยาเนี่ยพลบุญเยอะสร้างโซราก็มีบพลบุญแต่มันไม่เยอะเท่ากับเอาเงินให้ภรรยาชายใช่ไหมนี่แล้วก็เวลาทะเลาะกันนบีสั่านผู้ชายนิ่งก่อนบางคนบอกุูจะนิ่งทำไมลซื้อรถให้เนียซื้อบ้านให้เนี่ย อะไรอะไรให้เมียหมดเวลามีปัญหากันให้สามีนิ่งก่อนที่อิสลามเนี่ยครับันไมเหมือนชาวบ้านชาวนาเพราสามีนึ่งลเริ่มกระจบอ่จจะมาหน่ะอย่างนี้ก็นเอาต่อมาครับตัวล็ว่าผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เขาพ้นจากความชั่วในวันนี้มาบนโลกดุรยางี่นะ เอ็งอย่าอย่าพูดแบบกูแน่ฝากกดรอใหตรู้ดังนั้นแน่นอนพระองค์ได้ทรงเมตตาเขาอย่างมากมายไม่ให้ทำบาปนี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์แล้วคุณมารับอิสลามใช่ไหมแต่กี่เดือนแล้วความเมตตาของอัลลอ์น่ะต้องทด้วยลยต้อขอบคุณอลลอฮ์อาต่อมาครับ วาาทีวฝาวซุลเีวักสุดท้ายนี่ดีมากเลยนั่นคือมันเป็นฝ่าวซุนความสำเร็จอลัลลอฮ์ปรบวัติคนที่เคยทำความชั่วแล้วมาใชา้ชีวิตเป็นคนดีตามสุนนะนบีอลัลลอฮ์เมตตาเขานั่นแหละเขาได้รับความสำเร็จอเว ยิ่งใหญ่ได้ไปสวรรค์หมดสั้วเรัอย่าลืมสุนานา บ, บีรูปแบบในการดําเนินชีวิตมีเยอะไปหมดจะเอาจากไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่อัลลอฮ์พอใจเอาจะใครเอาจะท่านนาบีมาส่งแล้วเป็นกรมีตัวอย่างคนเดียวในโลกนะครับจงปฏิบัติวันวันกิจมันถ้าดา่นานบีไม่ได้ตําหนินบีไม่ได้มองสุนานาบีข้ามไม่ได้ผมอ่นานหนังสือพบเรื่องหนึ่งนบีนี่นะ พอลูกสาวแต่งงานปั๊บเนี่ยแยกครัวเลยให้ใส่นาฬีกาทิมังไปอยู่บ้านตัางหาบ้านนาบีไม่มีนบีมันจะปลูกบ้านให้ลูกเช่าพอเช่าเสร็จแล้วก็นบีตอนซูโบเดินไปปลูกอาแล้วตุซอลเลียเธอสองคนนัมาแล้วอย่างให ไ, ไหมตอนนี้อุลมะกด เขาพยายามบว่านาบีเคาะยังไงอ่ะทําอย่างงี้หรือทําอย่างนี้รูรมืออย่างนี้จะไดเอารูปแบบนบีมาใช่เห็นยังครับก็ยังหายังหาข้อสรุปไม่ได้ว่านาบีเคาะยังไงเห็นยังกรับขเขาละเอียด ก, กันถึงขนาดนี้ว่าสุนทรนาบีไม่ไม่ทุกทุกเรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นนะอขอฝากนะครับอายาที่สิบ إ ินนัลลาฮิณักฟารุยุนอาดา ن นาละมาตุลลอฮิอักบาร์มิมมาคุติคุมอาฟุซักุมอُศตุดาวนาอิลลัล إيمانفتاكفر ุน إ ินนั่ลลาฮีนักฟารูยุน่าดา m นั่ลละม h กอตุลลอฮีอักบาร์มิมักอติกุมอัมฟุสะกุมอิรตูดาวนั่ล إ ล إيمانفتكفرون อัลลอฮฺนะอุบิลลาฮฺบินดาลีอินนั่ลลาฮีนั คำแปลนะบรรดาแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธในโลกนี้ประชากรมีทั้งหเจ็ดพันล้านนาะที่เอาอะลอห์เนี่ยสองพันล้านและโอกาสจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอินชาอโลอินนัลลาีนากาฟรูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธรอซูลปฏิเสธมลายกา ไม่เชื่อวันโลกอสุรอมีไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยปฏิเสธทั้งหมด เ, เป็นยังไงครับอยู่นาเดานาะจะถูกตะโกนเรียกจะถูกเรียกไม่ใช่เรียกธรรมดานะตะโกนนี่ภาพวันอสิรอ ม, มดนเลยครับที่ทุ่งมาชัดก็ได้ หรือในนรกก็ได้เราไม่รู้เราอา่านลำแต่ที่ทุ่งมาชาัดแน่นอนครับจะถูกตะโกนมีเสียงตะโกนออกมาใครตะโกนมาไรค่ะครับจะมีเสียงตะโกนว่าไงนะละมักกตุลลอฮิอัลบาร์มักตุนแปลว่าความเกลียดชังมักตุนแปล ว, ว่าความเกลียดชังความเกลียดชังของอัลลอฮ์นั้นใหญ่ยยสุด อย่างครับทำตัวให้อลลอฮเกลียดทำไมทำตัวให้อลลอฮเกลียดคุณทำไมแปลกนาะยิ่งเกลียดอัลลอยิ่งให้เอาไปเลยเงินเอาไปเลยตำแหนง่งเอาไปเลยชื่อเสียงเอาไปเลยบ้านสิบหลังก็มีอยู่คนนึงคนไทยเนี่ยผมอ่านคลิปเขารวยมาก มีบ้านอยู่สิบหลังเชียงใหม่เชียงรายลงปางภูกเก็ตมีหมดเลยอ่ะพอไม่สบายมีญาติมาเยี่ยมคนส่งคนแล้วก็หายไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพอตื่นต่ดลืมตา ม, มาเจอนางพยาบาลแล้วก็ลูกไปอยู่ที่ไหนอ่ะ ญาติี่น้องท่านอยู่ที่ไหนเงินต้องทองตังเยอะแยะบ้านตังสิบหลังรถไม่รู้ว่ากี่ร้อยคันทำเน่งเยอะทำเน่ยงไต่ไบ้านหมดเลยรถตบาลก็มอบให้มานั่งนึ ก, นกจะลงกับกูตายกูตายแลย้วบงคนจะมาจมาล่ะนึกไปนึกมาสำนึกตัวขายบ้านหมดเลยขายานหมด อยู่แบบสมถะเอาชีวิตนบีไปใช้แต่ไม่รู้จักนบีเห็นยังครับอิสลามสอนเรื่องนี้ตั้งพันสี่รอปีแล้วสซนบีลานนะมีอะไรอะ่ะนบีขึ้นเมรถยิบรีนพาไปในสวรรค์เจอไซนบีเปลานเดินเดินอยู่ข้างหน้านาบีใส่รองเท้าจำได้เห็นหั้มพอนบีลงมาเรียกสซนบีลานบีลาน ท่านเห็นเดินอยู่ในสวรรค์เข้าสวรรค์ก่อนฉัน <c ười> คุณทําอะไรหรือไปล่างตอบฉันอาบ น, านาา้ําน้มาดแล้วก็นามาโุนาร์สนมาดฉันอาจารย์ให้นบีเห็นไหมแล้ววิ่งหาอะไรเลยวันเนี้พันลา้านอัปําอะไรถ้าไม่จ่ายสกาศเองเจออาสาโน ก, กูโบเจองูก็เจอแมงป่องเอาไปสิ กนทั้งนัอิสลามสยามหนึ่งอันมด ล, ลยลหอะไรบ้านก็มีรถก็มีแต่ตะกบุดเยอะยิยงจองหมหไม่รู้จักอัลลอ์เองเจอแ น, น่ๆแต่ก่อนเจออาสาบเอเอาไปเลยบางคนสำนึกบางคนสำนึกแต่ไม่ถึงอัลลอ์ใช่มบางคนสำนึกถึงอัลลอ์ก็ปลอยลา ล, ลตอมาครับละมกลลอฮอัตบัความ การเกลียดชังของอัลลอฮ์นั้นใหญ่กว่ามิมมากติกุมการเกลียดชังของสูรเจ้าในหมู่ของสูรเจ้าไปไหมความเกลียดชังของอัลลอฮ์นั้นมันใหญ่กว่าพวกที่มนุษย์กับมนุษย์เกลียดชังกันเองสอนเรื่องความเกลียดชังเห็นไหมผู้หมัไส้คนเนี้มันตายกูไปทำไมเจ้าเจ้เองก็บ้าไปองอ่ะฉะนั้น การเจียดชังของอัลลอฮฺมันใหญ่กว่าการเจียดชังระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยการสอนให้รู้ไม่เชื่ออะไรของเองเราคล้าวแล้วนะ1ั0 0ปีแล้วนะนะครัมีคุณอานอายะไรอายะที่10บสุรอัลมุหมินต่อมาครับอิสตูดะตูตัดะใช่ปะอิสตูดาฮูนาอิลลัลอีมานฟะตักฟูรุน ีแล้วว่าเมื่อตูนเอานะถูกสู่เจ้าถูกเรียกตอนนี้เรากำลังเรียกนะเราสอนตับซีนเรียกผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อรอดเรียกเชิญคนอลงในเฟซบุ๊กเราทำหน้าที่ของเราแล้วใช่ไหมพวกท่านกลับมาถึงบ้านก็นททาหน้าที่ของท่านต่างคนตางทําหวังระวังตอบแทนจากคนรอดเราจะจุตัวถางว่าตอนนี้ โควิดมากใช่มั้ยไปออกดาว่าไม่ได้ก็ดกว่าภรรยากรง่ายโทรศัพท์พคุยกันสิก็ใครอ่ะอันดอะไรอะไซนาอุมัดอนะเขียนต้นไ ม, ม้ไหมอะไปหาคนคนหนึ่งที่เมาเหล้าอยู่ประเทศซีเรียใช่มั้ยเขียนสามาาัญญาเองอะไรนะฮามิมตังซีลุนกิตาบิมินอัลลอหิมะซิลฮาลิม กับผิดธรรมบวกกับผิดท้าวผิดชดีดีนะกับผิดท้าวและอืนนดด่ออนอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอ่นอืนไปอ่นอื่นอื่นอื่น้ืนอื่นอื่นอนอื่นอื่มาคนอนึื่นอั่นอม่นอื่นอื่นอนอื่นอนอนอ่นอืนนอื่นอื่นอื่นอื่น่นออ่นอื่นาืน่น่นอื่นอือ่นอื่นอนอือื่นอื่นนอื่นอื่นอนอื่ืนอื่นอื่นออ่ืนอนอื่นกอ่นือ่ แนะนำให้นะเอาต่อมาครับเมื่อสูเจ้าถูกเรียกร้องถูกเชิญให้อิมานฟาตักฟูรูนพวกท่านก็ปฏิเสธอย่างนี้เจอแน่ๆไม่มีใครสอบานาับบีคนใดไม่มีครับพอนับีเชิญปั๊บรับปับเลยนับีขึ้นเมาราักกลับมาละเชื่อเลยอย่างนี้ห้ามดิเรเลยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์ ข้สุดท้ายกับโกลูรับบนาอามัตตَนสนาตัยน์วะอัฮยัยตานสนาตัยน์ฟาตารฟนาบิรุนูบินาฟาฮลิลาฮูรูจิมิลซาบิล โَลูรับบนาอَหมัดตานั ن นัตัยน์วะอัฮยัยตานั ن นัตัย ت َฟะอัตَ ا ฟนาบิฎุนูบินาฟะฮ์ลอิล่าฮุรุจิมิลซาดิฮัมٍุลิลลาห์สุท้าเนี่ยเป็นอกิดะเอาถามพวกเราว่าเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้ง ส่วนใหญ่นะ่ะคือคีครั้างค้งเดียวตายค้งเดียวจบใช่ไม้มแต่ไม่ใช่นี่กณอ่ะสอนกอดูพวกเขากล่าวว่ารับบ้านาข่าแต่พระพูกอวยานของเราอมัตตานาอัลลอ์หรือพระองค์ได้ทรงทำให้เราตายอมัตตานา อัลลอฮ์เนี่ยทำให้เราตายนะไม่ใช่ตายเองนะนี่ช่วงอาทิตย์นี้ตายสองคนใช่ไหมอาจารย์ยายากับอาจารย์ประวัติบอกวานี่พอไปก็พบคนเยอะใครให้ตายนี่ไงเตือนอัลลอฮ์ทำให้เราตายอิสนาตายนี่สครั้งเห็นไหมไม่ใช่ตายครั้งเดียวตายสองอธิบดีพูดเรื่อตายก่อนนะตายครั้งแรกนะตอนอยู่ในท้องของแม่ นั่นอิสลามบอกว่าเอตายอยู่นะหรือว่าอยู่ในโลกอาลัมโลกแห่งวิญญาณ น, ะนั่นเราเรียกว่าตายอา่ะอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมาก่อนแล้วก็สร้างบอดีท้ทีหลังเดี๋ย ว, วอยู่ไปอยู่ไปตาย น, นี่ตายครั้งที่สองนะว่าอัจฉริยตาณสนาตัยและทรงให้มีชีวิตอัจฉริยะแปลว่าให้มีชีวิตให้เรามีชีวิตอิศ หน้าใจนี่สองครั้งตอนนี้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาต่อมาตายครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นอีกครั้งหนึ่งในโลกอาเซอร์เห็นไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อไม่เชื่อเองเจอพิสูจน์ไม่ได้ฉันไม่เชื่อเพราะพิสูจน์ไม่ได้ต้องเชื่อทุกอย่างเลยเลอะต้องมีถึงวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ก่อนถึงได้เชื่อไเหรอ อย่าง fasting เนี่ยถือบวชเนี่ยปล่อยให้สุขภาพนะหิวหิวนะดีกว่าอิ่มนะใช่ใช่ๆๆๆๆผมกำลังหิวเนี่ยทำดีเลยยิ่งยิ่งหิวนะสมองยิงดียิ่งอิง่มยิ่งสติปิตโง่เพื่อใจดีพอสะเทือนเยอะเอาต่อมาครับตัวเลงว่าอาลัลลอฮฺให้ตายกี่ครั้งสงให้เป็นกี่ครั้งสองครั้ง ฟาตรารฟนาปิรุณูปินามดังนั้นเราสารภาพความผิดทั้งหลาย <c oughs> ของเราแล้วไปยอมรับวันนี้นะเถียงคอแข็งเลยตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวพอวันเกยมามาอายาพอฟื้นขึ้นมาอย่า ทันยอมรับแล้วขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมกลับมาอยู่บนโลกดุนยามาทำอะไรจะมากลับตัวฉะนั้นถ้าจะทำอามันพิซอแล้ว ต, ต้องทำบนโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่ทำในโลกอาคีรอไม่ได้ทำในนรกไม่ใช่เองถูกลงโทษแล้วได้รางวัลตอบแทนจากอนหลัาจากยฟุ้นข้นทียจากหลังจากอูโบฝฟะฮั อีล้วครูจีมินซาบิลฮับบว่าหรือครุจีวัฒนาออกมินซาบิลมีหนทางมีหนทางออก ม, ม, ามาออก้างไหมยอมจำนวนแล้วอยากจะเป็นคนดีมีหนทางช่วยให้ออกได้ไหมออกจากนรกมาทำยังไงอ่ะไม่ยูทางเดียวครับมันต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บนโลกดุญา หลังตายก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในกุบั ก, ก็เปลี่ยนไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเปลี่ยนไม่ได้รอรับรางวัลอย่างเดียวฉะนั้นไปถามมาลองเขาทางออกมีไหมเนี่ ย, ยทางออกเขามีให้แล้วตอนนี้เอ็งที่ดาโซน่านาเบนะทางออกของคุณนะ่ะกลับตัวซะเอาประเพณีปฏิบัติมาใชา้แทนโซน่านาเบนะเลิกกลับตัวซะนี่คือทางออก แต่เองไปถามในวันเกยามัทำไมไม่ถามตอนนี้ละ่ะดามุสเิมผู้ก่อการร้ายก็ดามดีสิคนที่ดามือหนักล้มหนักล้มหนักล้มหนักลมตัวรงว่าอย่าดูถูกดุจยานะอาดุจยาไปนี้เป็นหนทางเป็นหนทางออกทั้งหมดถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีต้องใช้ชีวิตบนดุจยานี้ให้ ให้เรียนมิสลามให้ใจสุนนห์นบีนั่นะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหมเวลาจากสุฮานะัลลอฮุมะวะบิัมดิลาอิละอิลลอัอัสัุกวะูบุอิลัยลลัลลอฮะลัยมุฮัมมัดวะอาิฮิวฮบิอัจมลฮัมดุลิลลาฮิรบบิอลทำในบ้าน